สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศียพิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราเข้าสู่เนื้อหาของพงศษัตร์บับที่หนึ่งบทที่หนึ่งครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่4โปรดฟังพระว จ, จนะของพระเจ้ากษัตริย์ดาวิดมีพระชนมายุและทรงพระชรามากแล้วแม้จะห่มผ้าให้หลายผืนพระองค์ก็ยังไม่อบอุ่นดังนั้นบรรดาข้าราชการของพระองค์จึงกราบทูลว่า โปรดให้คนไปเสาะหาหญิงสาวพรมจารีมาถวายพระราชาเจ้านายของข้าพบาทและให้เธออยู่งานเฉพาะพระพักฝ่าพบาทและดูแลฝ่าพบาทให้เธอนอนในพระสวงของฝ่าพบาทเพื่อพระราชาเจ้านายของข้าพบาทจะได้ทรงอบอุ่นพวกเขาจึงเสาะหาสาวงามทั่วทั้งดินแดนอิสราเอลแล้วได้พบอาบิชาคหญิงชาวชูเนมจึงได้นําเธอมาเฝ้าพระราชา หญิงสาวคนนั้นงามยิ่งนักเธอได้เป็นผู้ดูแลพระราชาและอยู่ปรนนิบัติพระองค์แต่พระราชาไม่ได้ทรงมีเพศสัมพันธ์กับเธอพี่น้องครับในพระเจของพระเจ้าตอนนี้เราจะเห็นถึงยุคทองของอิสราเอลในสมัยดาวิดและโซโลโมอนกำลังใกล้จะสิ้นสุดลงแล้วพระธรรมหนึ่งพงศาสันั้นเริ่มต้นด้วยอาณาจักรที่รวมตัวกันนะครับอาณาจักรที่เป็นหนึ่งเดียวอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่มาก และอาณาจักรที่มีพระเจ้าเป็นศูนย์กลางแต่กําลังจะจบแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าชีวิตของโซโลมอนกําลังจะสิ้นแล้วจบลงด้วยอาณาจักรที่แตกแยกครับจบลงด้วยอาณาจักรที่ตกต่ําฝ่ายจิตวิญญาณและจบลงด้วยอาณาจักรที่กลับไ่ว้ลูกเคารพออกจากทางของพระเจ้าเรามองเห็นสาเหตุนะครับที่ทําให้อิสราเอลตกต่ํา ก็คือพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้าหันไปกราบไหวลูปเคารพมีชีวิตที่ประนีประนอมกับโลกชีวิตของเราเองนะครับก็อ่อนไหวต่อสิ่งต่างๆที่ทำให้อิสราเอลเสื่อมลงเหมือนกันครับนั่นคือความโลภความอิจฉาการที่เรามีลูปเคารพนะครับลูปเคารพนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นอิดเป็นปูนเป็นโลหะ หรือทองคําหรืออะไรต่างๆแต่เป็นรูปเคารพที่เป็นเชิงสั ญ, ญลักษณ์ครับก็คือเรานั้นรักเงินทองเราให้เงินทองเป็นรูปเคารพเราไม่ได้ทุ่มเทกับพระเจ้าการทุ่มเทที่เคยผ่านมานั้นก็เป็นการทุ่มเทยอย่างผิวเผินเป็นการทุ่มเทที่เห็นแก่หน้าของตัวเองอยากจะได้มีตําแหน่งมีหน้ามีตาในสังคมเรื่องราวที่น่าเศร้านี้ครับมันเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์อิสราเอลมาก่อนพี่น้องครับเราเอง จะต้องมองตัวเราเองโดยใช้ประสบการณ์ของพวกอิสราเอลนั้นมาเป็น ก, กระจกเงาซ้อนนะครับมาเป็นบทเรียนในชีวิตของเราพังคมภีร์ตอนนี้ได้กล่าวถึงกษัตริย์ดาวิดที่ทรงพระชรามากนะครับก็อายุอานามของดาวิดนั้นก็ประมาณ70ปีครับสุขภาพของเขาก็เสื่อมถอยลงเนื่องจากว่าตอนที่เขาหนุ่มๆ น, นั้นเขาผ่านสงครามมาเยอะครับเขผ่านความทุกข์ยากลําบากมาเยอะเขาผ่าน อะไรหลายอย่างมาเยอะก็เรียกหุบเขาเงามัจุราชอาบิชางั้นเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่มีความงดงามมากถูกคัดสรรมาเพื่อที่จะรับใช้ให้เป็นพยาบาลส่วนตัวของดาวิดครับและทำให้ดาวิดได้อบอุ่นในสมัยนั้นนะครับการมีภรรยาหลายคนก็ยังเป็นสิ่งที่ยอมรับได้กษัตริย์มีคล้ายๆกับฮาเร็มครับก็ถือว่ายังไม่ผิดในสมัยนั้นนะครับพี่น้องครับ นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นอาบิชากนั้นเป็นผู้ที่มีความงดงามมากในขณะเดียวกันครับในพมพีได้บอกว่ากษัตริย์นั้นก็ไม่ได้มีเพศสัมพันธ์ใกล้ชิดกับนางในภาษาเดิมนั้นเรียกว่ากษัตริย์นั้นก็ยังไม่รู้จักนางภาษาอังกฤษใช้คําว่า know ครับ k n o w n no. มีความหมายว่าคือมีความรู้จักกันมีความสัมพันธ์กันทางเพศเพราะฉะนั้นอาบิชาก จึงกลายเป็นผู้หญิงที่ต่อมาอาโดนิยาซึ่งเป็นราชวงศ์คนที่สี่ของดาวิดและเป็นคนที่น่าจะได้สืบทอดบัลลังก์ก็หมายปองอาบิชาติต่อไปพี่น้องครับในวันพรุ่งนี้เราจะมาดูว่าชีวิตของอาโดนิยาคือใครและเขามาได้ยังไงและพฤติกรรมของเขาในที่สุดจะเป็นยังไงบ้างขอพระเจ้าช่วยพี่น้องทุกท่านนะครับเพราะอาโดนียาเองนั้น เป็นราชชลองคงที่สคนในครอบครัวของกษัตริย์ดาวิดก็เป็นคนที่เป็นครอบครัวที่มีปัญหามากมายพอสมควรนะครับอาโดนิยานั้นเป็นราชรลอคนที่สแต่ปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวเพราะเนื่องจากว่าลูกๆของกษัตริย์ดาวิดนั้นก็ไม่ได้เป็นพี่เป็นน้องที่มีความใกล้ชิดสิทสนกันแต่ก็มาเป็นกบฏมาต่อต้านกันและกัน กษัตริย์โซโลมอนนั้นก็ถูกเจิมให้เป็นกษัตริย์และในขณะเดียวกันครับพี่น้องของเขาก็มีจิตใจริษยาเขามีจิตใจที่ไม่ชื่อตรงกับเขาไม่ได้จงรับพักดีกับกษัตริย์โซโลมอนดาวิดรับใช้พระเจ้าอย่างดีในฐานะกษัตริย์นะครับรับใช้พระจากรกองพระองค์กษัตริย์ดาวิดนั้นได้แต่งบทเพลงสดุดีเยอะแยะมากมายในฐานะกษัตริย์ทํางานอย่างดีครับแต่ในฐานะพ่อ กษัตริย์ดาวิดนั้นมักจะทําให้ลูกๆของเขาผิดหวังพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในราชวงศ์ของดาวิดครับเรามาดูตัวชีวิตของเราครับถ้าเราเป็นผู้นําเราก็มีความเสียสละในการนําของเราเราจะต้องทําสิ่งที่ดีที่สุดกับครอบครัวของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ อย่าใช้เวลาใช้พลังงานไปกับการรับใช้พระเจ้าจนละเลยหน้าที่อื่นๆในครอบครัวที่พระเจ้าประทานให้กับเราโดยบางยิ่งหน้าที่ของการเป็นพ่อที่ดีเป็นคุณแม่ที่ดีให้กับลูกๆพี่น้องครับพระกัมพีในช่วงตอนนี้เป็นช่วงตอนเปลี่ยนผ่านแผ่นดินครับเปลี่ยนผ่านแผ่นดินจากแผ่นดินที่ครอบครองด้วยกษัตริย์ดาวิดมาเป็นแผ่นดินของโซโลมอนพี่น้องจะเห็นนะครับว่า ปัญหาต่างๆที่มันอยู่ใต้พรมมันเริ่มเผย อ, ออกมาแล้วครับให้เราเห็นว่าความจริงแล้วพี่น้องซึ่งเป็นลูกของกษัตริย์วิษพี่น้องของโซโลมอนนั้นไม่ได้มีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันแล้วครับเพราะพวกเขานนั้นอยู่ภายใต้การล่อลวงโลกอยากจะเป็นใหญ่พี่น้องครับสิ่งที่เป็นเรื่องน่าสนใจ ในการรักษาโรคในสมัยโบราณครับเราจะเห็นว่าเมื่อกษัตริย์อวิทย์ทรงพระชะลามากแล้วการบรรยายถึงลักษณะของการเจ็บป่วยของกษัตริย์อวิตพระคำภีใช้คำว่ากษัตริย์อวิตแม้จะห่มผ้าสักกี่ผืนก็ไม่อุ่นคำว่าก็ไม่อุ่นนั้นก็คือมีความหมายว่าหลักการในการรักษายุคโบราณก็คือ ต้องใช้ร่างกายของคนที่แข็งแรงเป็นคนหนุ่มสาวมาให้ความอบอุ่นแก่ผู้ที่เจ็บป่วยอยู่และโรคของกาซาดาวิทนั้นนักวิชาการในสมัยต่อมานะครับก็ได้สันนิฐานว่ากาซาตาวิทนั้นน่าจะป่วยด้วยโรคอาร์เทอริโอสเค s โรสิสอาร์เทอริโอสเคโริสซึ่งเป็นโรคได้ว่าโรคหลอดเลือดแข็งตัวนะครับโรคหลอดเลือดแดงแข็งตัวซึ่ง อาจจะมีอาการชาอาการปวดตามกล้ามเนื้อต่างๆถ้ามันเกิดขึ้นที่สมองก็จะมีอาการทางสมองถ้ามันเกิดขึ้นที่หัวใจมันก็มีอาการทางหัวใจยังไงก็ตามครับเราไม่สามารถยืนยันได้ว่ากษัตริย์ทวีตนั้นป่วยด้วยโรคอะไรแต่เป็นการสนิทฐานของบรรดานักวิชาการทั้งหลายในสมัยต่อมายังไงก็ตามครับเราจะเห็นถึงสิ่งที่เป็นความจริงซึ่งเป็นประโยชน์ ในเรื่องของการรักษายุคโบราณโดยใช้ร่างกายของคนที่แข็งแรงเพื่อให้ความอบอุ่นเพื่อให้ความร้อนแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าร่างกายของคนที่อายุมากมากนะครับเราจะต้องระมัดระวังเราจะต้องมีความสมดุลในเรื่องของอุณหภูมิเราจะต้องมีความสมดุล ใ, ในเรื่องต่างๆให้ดีต้องเน้นและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ยิ่งไปกว่านั้นครับพระกัมพีได้ให้ลักษณะของอภิชาตอภิชาตนั้นเป็นผู้หญิงที่สวยมากๆแต่ว่ายังไงก็ตามครับความชราของกษัตริย์ดวิดทําให้กษัตริย์ดวิดนั้นไม่สามารถที่จะมีความสัมพันธ์ทางฝ่ายร่างกายกับเธอได้สแสดงให้เห็นถึงความอ่อนแอความชราของกษัตริย์ดวิดซึ่งนั่นหมายความว่าการเปลี่ยนแผ่นดินควรจะต้องเกิดขึ้นแล้ว พี่น้องครับชีวิตของเรานั้นมีขั้นมีตอนมีวาระและโอกาสการเปลี่ยนผ่านสามารถเกิดขึ้นได้ในทุกๆช่วงของชีวิตการพลิกผันของการเปลี่ยนแปลงนามาซึ่งชีวิตที่จะรุ่งเรืองขึ้นหรือชีวิตที่จะตกต่ำลงอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญขอพระเจ้าช่วยเราครับในการที่เราทุกคนนั้นจะอยู่ในแผนการของพระเจ้า เราทุกคนนั้นจะอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์เพราะว่าหากใครก็ตามที่เชื่อฟังธรรมบัญญัติของพระเจ้าเชื่อฟังกฎเกณฑ์ของพระเจ้าและเขาดำรงตัวเองอยู่ในน้ำพระทัยและพระประสงค์ของพระเจ้าชีวิตของเขานั้นจะมีแต่ขึ้นทางเดียวอเมน